พทสวัสดีค่ะท่าน ฟ, ฟังที่เคารพค่ะรายการสันสนีสสนทนานะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ทุกวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์จะถึงเวลาที่ดิฉันจะสนทนากับท่านอาจารย์เผยบูรจากวัดป่าดอนหายศกอุดรธานีซึ่งท่านก็ดำเนินรายการอยู่ณที่นี้เป็นประจำตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาเลยนะคะแต่วันนี้จะเป็นวันที่ไดมาร่วมสนทนา โดยดิฉันเป็นผู้ที่จะดำเนินรายการก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น่าจะได้ประเด็นที่ทำให้ท่านทั้งหลายได้ความรู้ชัดเจนถูกต้องมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับคำาสอนของระศาสดาซึ่งอาจจะมีบางอย่างที่เราคิดว่าเป็นแบบนี้แต่พอได้ไถ่าถามเข้าจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างที่เราคิดยกตัวอย่างเช่น เรื่องของจิตนะค ะ, ะดิฉันเข้าใจว่าคน ท, ทั่วไปจะรู้สึกเหมือนเอนกันล่ะว่าจิตเนี่ยมันเป็นความคิดอะไรทำนองนั้นแต่ได้ยินมาว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันกับความคิดส่วนจะจริงหรือไม่อย่างไรนะคะเราต้องไปกราบเรียนถามท่านอาจารย์ไพบูณอภิปุนะนโนจากวตาดอนหายโสอุดอนธานีซึ่งตอนนี้ท่านก็พร้อมแล้วนะคะนมอส ก, การณนะคะท่านคะยาพานค่ะ คำถามได้ตั้งไปแล้วตอนต้นรายการเลยค่ะท่านคะเกี่ยวกับเรื่องของจิตและก็เรื่องของความคิดจริงหรือไม่คะที่ว่าในทางพระพุทธศาสนาจิตกับความคิดไม่ใช่สิ่งเดียวกันอไม่ใช่สิ่งเดียวกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแล ว, ว่าจริงนะคะถูก ต, ต้องถูก ต, ต้องอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจด้วยเพราะว่าบางทีเรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยนะคุณโยบิ๋วคนที่เคยฝึกปฏิบัติหรือไม่แต่คนที่ไม่เคยฝึกปฏิบัติก็ตามความคิดเรามีไอเดียอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาใช่ไหม เช่นว่าเออวันนี้ฉันจะไปกินอนันนี้ฉันจะพูดเรื่องนี้ฉัจะทํางานตรงนี้ความคิดไอเดียอะไรต่างๆพวกเนี้ยเราก็คิดว่านี้เป็นของเราเราก็คิดว่าอันนี้เป็นจิตเราจิตฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันก็จิตเขจะมีความคิดพวกนี้ออกมาได้<ช>แต่ทริงๆในในทางคําสอนของรพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งมากตรงนี้นะใช้คําพูดที่แตกต่างกันไปนะคือสิ่งนั้นเน่ยเราเรียกว่าเป็นธรรมารมธรรมารม ไอจิต ท, ที่เข้าไปรู้ธรรมารมณเขาเรียกว่ามโนวิญญาณเอาความที่จะไปถึงจุดตรงนั้นอาจาราต้องทําความเข้าใจเรื่องทั่วๆไปก่อนอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าเสียงยที่คุณโยมติวได้ยินอยู่นี้ที่ท่านผู้ฟังได้ยินอยู่เนี่ยเป็นเสียงถูกไหมเสียงเนี้ยจะได้ยินได้เนี้ยก็ต้องผ่านทางหูเพราะฉะนั้นหูเนี้ยจึงเป็นช่องทางถูกไหมหูเป็นช่องทางให้เสียงเข้ามาแล้วอะไรเข้าไปรับรู้จิตของเราเนี่ยไปรับรู้ จิตนะจิตตรงนี้จิตที่ไปทําหน้าที่การรับรู้ตรงนี้เรียกว่าวิญญาณจิตกับวิญญาณก็ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะต้องใช้คําให้มันถูกต้องนิดหนึ่งจิตที่ไปทําหน้าที่รับรู้เรียกว่าวิญญาณรับรู้ทางไรถ้ารับรู้ทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณโอเคแค่แค่นี้ <c oughs> คุณยาติว๋วไปได้นะก็คือเรารับรู้เสียงผ่านทางหูจิตที่เข้าไปรับรู้นั้นเรียกว่าโสตวิญญาณ จิตกับวิญญาณเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่นิดหนึ่งคุณโยมเติยวนะคมันแตกต่างกันตรงที่ว่าอา้าวเราเห็นภาพในะเห็นภาพต้องผ่านทางตาใช่ไหมตานะเป็นช่องให้ภาพแสงต่างๆเข้ามาได้จิตเข้าไปรับรู้จิต ท, ที่ไปทําหน้าที่รับรู้ภาพตรงนั้นเรียกว่าจักษุวิญญาณนะคำว่าวิญญาณเนี่ยหมายถึงการรับรู้นะเป็นกิริยากิริยาของอะไรของจิต ท, ที่ไปทำหน้าที่นะวิญญาณนะเป็นกิริยา ของจิตที่ไปทําหน้าที่ในการรับรู้การทําหน้าที่ตรงนี้เรียกว่าวิญญาณนะแล้วจิตเป็นอะไรจิตเป็นสภาวะอย่างหนึ่งนะมาจากรากศัพท์คำว่าจัจจิธาติที่หมายถึงมีสภาพสังสมอย่างเช่นว่าทําไมเราดูดูเมื่อวานเราดูหนังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือกินอะไรเนี่ยเราก็ยังพอจําได้ในะความที่มันมีสภาพสังสมเพราะว่าเป็นของกรรมเรื่องจากกรรมเนี่ยนี่คือจิตดังนั้นความที่มันสั่งสมอยู่ในใจเราเป็นอาสวะเป็นความทีค่ความนึกอะไรพวกนี้ เป็นสภาวะเป็นธรรมชาติของจิตเป็นจิตธาตุเป็นธาตุอย่างหนึ่งแล้วมันก็ไปทำหนา้าที่ในการรับรู้การทำหนา้าที่ตรงนั้นเรียกว่าวิญญาณการทำหน้าที่ตรงนั้นเรียกว่าวิญญาณซึ่งการนัน้นทหน้าที่ตรงนี้นก็ไปตามช่องทางต่ตามช่องทางแต่ถ้าทางลิ้ น, นก็รับรู้รสแต่ถ้าทางสัมผสัสทางกายปุถพภพะก็คือผ่านทางกายกายเป็นช่องทาง แต่งกายอา จ, จะต้องแบ่งซ้ายขวาให้นิดหนึ่งถ้าเราพูดถึงด้านขวาเนี่ยนะด้านขวาของสมองฟังเนี่ยเป็นตาหูเป็นรูปเสียงเป็นปรถปฐมธรรมรมอยู่ด้านขวาตรงกลางเป็นช่องนะก็คือจากด้านขวาสุดเนี่ยเป็นเสียงผ่านมาตรงกลางเป็นช่องหูด้านซ้ายเนี่ยเป็นจิตจิตที่ไปทําหน้าที่รับรู้เสียงผ่านทางช่องหูนี่เรียกว่าโสตะบิญญาณอยู่ด้านซ้ายมือ เนะช่นเดียวกันไล่ลงมาจากข้างบนนี่คือตานะถัดมาก็หูจ ม, มูกลิ้นกายแตนะ่ทีนี้กายก็คือสัมผัสนั่นเองโพธภิภ <c oughs> นะทีนี้กายก็คือโพธภะนั่นเองนะโพธิภะผ่านมาทางช่องทางคือกายจิตที่ไปทาหน้าที่วิญญาณนะจิตที่ไปทาหน้าที่รับรู้แล้วเขาก็เนระียกว่ากายวิญญาณที่นี้เช่นเดียวกันคุณยมติว๋วธรรมารมคือความคิดเราเอาวความคิดเลย นะความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นความคิดเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมันต้องมีผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดนั้นผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดนั้นก็คือจิตนี่แหละจิตที่เข้าไปทาหน้าที่รู้ทางใจเขาเรียกว่ามโนวะิญญาณช่องตรงนี้ช่องนิดนี้ียกว่านะมโนมโนเนี่ยคือใจ <S <S ใช่ไหมแต่แปลมาเป็นภาษาไทยภาษาที่พระเจ้าใช้เขาเรียกว่าท่านเรียกว่ามโนนหมายถึงใจเป็นมโนธา คําว่าใจเนี่ยเป็นมโนเนี่ยเป็นธาตุที่มีความละเอียดเสมอเสมอกันเพราะฉะนั้นเราเ้าบอกว่าจิตก็ดีมโนด้วยวิญญาณเนี่ยมีความละเอียดเสมอเสมอกันนะซึ่งมโนตรงนี้นะมันก็คือเป็นช่องที่ให้ธรรมารมเข้ามาเป็นช่องที่ให้เวทนาเข้ามาพวกนี้เป็นเขาเรียกว่ามีความละเอียดอย่างเดียวกันแนะต่นี้มันไม่ใช่อันเดียวกันเนี่ยคือประเด็นนะเพราะว่าจากธรรมารม ธรรมารมพานช่องทั้งมโนโนะจิตก็เราเข้าไปรับรู้นะเป็นมโนวิญญาณเนี่ยการรับรู้ของจิตนทะี่อยู่ด้านซ้ายมือกับเจ้าธรรมารมเป็นความคิดต่างๆเนี่ยคนละตัวกันคนละตัวกันนะทีนีมน้มันเหมือนกันบางทีมันเนียนมากเนียนมากจนทําให้บางทีเราไม่เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นตัวเราหรือไม่ใช่ของเรากันแน่แล้ว <Okay. S 1> การจะยกตัวอย่างกลับมาทางอย่างเช่นสิ่งของภายนอกสิ่งของภายนอกเช่นโทรศัพท์เราซื้อใหม่ๆห โทรศัพท์เนี่ยเป็นสิ่งของภายนอกแน่นอนนะคุณหยมเติวถูกไหเป็นสิ่งของภายนอกแน่นอนจับต้องได้นะถ้าเราซื้อมาเอ้าฉันซื้อมาด้วยเงินของฉันก็ของฉันสิจิตที่อยู่ข้างในนี่นะจิตที่อยู่เราบอกอยู่ด้านซ้ายมือสุดเนี่ยจิตที่อยู่ด้านซ้ายมือสุดเนี่ยไปรับรู้ไปรับรู้อ่าเช่นโทรศัพท์นี้ก็เป็นลักษณะทางกายถูกไหมเป็นผลพระใช่ไหมไปรับรู้ผลพระเนียก็เรียกวเป็นกายผ่านทางกายวิญญาณผ่านช่องคือทางกายออกไปนะรับรู้ผลพระ ในกรณีนี้คือโทรศัพท์ไอ้จิตนั้นเนี่ยมันก็ไปยึดถือโทรศัพท์โดยความเป็นตัวมันของมันได้โทรศัพท์ฉันซื้อนี่ยทำไมโทรศัพท์ฉันซื้อทำไมจะไม่เป็นของฉันได้ไงเข้าใจนะนี่คือสมบัติต่างกายไปยกตัวองโทรศัพท์เช่นเป็นต้นอา้าวเรากลับมาเรื่องของธรรมารมความคิดที่เกิดขึ้นอยู่ด้านขวามือสุดใช่ไหมผ่านทางช่องทางคือมโนเป็นช่องทางมโนจังใจตรงนี้เกิดขึ้นมานะเสร็จแล้วผ่านทางช่องนี้มาจิตเข้าไปรับรู้ เป็นเขาเรียกวมโนวิญญาณแล้วมันก็ไปยึดถือสิ่งนั้นน่โดยความเป็นตัวตนว่าความคิดเนี้ยของฉันฉันเป็นแบบเนี้ยฉันเป็นคนอย่างเนี้ยจิตฉันเป็นอย่างนี้ความโกรธนี้ของฉันอารมณ์นี้ของฉันมันเป็นอย่างนั้นคือลักษณะเดียวกันจะเป็นบ้านจะเป็นรถยนต์จะเป็นคู่ครองจะเป็นลูกแล้วก็ของฉันของฉันของฉันในหมดเพราะว่า จิตเนี่ยมันไปยึดถือเอาสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนได้ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑธรรมารมผ่านทางช่องทางคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ <c oughs> คนน่ยมันเป็นอย่างงี้คุณโยมติว่ามันรับรู้ภาพใช่ไหมผ่านทางตา <c oughs> เช่นเดียวกันมันก็สร้างภาพด้วยนะรับรู้เสียงผ่านทางหูก็พยายามสร้างเสียงด้วยนะเช่นสร้างภาพเช่นวา่าเรารับรู้ภาพนี้เป็นอย่างนี้เราต้องการสร้างรูปใหม่นะเราก็แต่งรูปให้มันดี นี่ยก็เป็นการสร้างรูปขึ้นมาเนี่ราได้ยินเสียงเน่ได้ยินเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งชอบใจไม่ชอบใจก็ว่ากันไปแต่ตัวมนุษย์เองตัวเราเองก็ปรุงแต่งเสียงขึ้นมาเป็นเสียงพูดเสียงอะไรเพื่อที่จะให้เราแบบดีขึ้นหรือว่าให้คนยอมรับหรือว่าให้มันดีให้มันตามที่เราต้องการจมูกลิ้นกายและใจก็เหมือนกันน่ยใจที่ว่าเป็นธรรมารมเนี่ยเราเป็นฝ่ายรับก็มีเป็นฝ่ายสร้างเป็นการปรุงแต่งเป็น จิตตสังขารอย่างนี้ก็มี <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่เราการจะสื่อสารวันนี้ก็คือว่าความคิดกับจิตเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันไม่ใช่อันเดียวกัน <Okay. S 1> ทีนี้ตรงเนี้ยประเด็นก็คือว่ า, าถ้าเราจะมีความคิดที่มันแบบไม่ดีความคิดหรือแม้แต่ไม่ใช่ความคิดก็ตามเแต่อาจจะเป็นเสียงก็ตามที่เราไม่ชอบใจหรือว่ารสชาติอาหารที่เราไม่ชอบใจภาพที่เราไม่ต้องการเห็นอย่างเงี้ยนะพอเห็นแล้วได้ยินแล้ว รู้ความคิดต่างๆเหล่านี้แล้วเราจะทํำยังไงไม่ให้มันมันมาเชื่อมกันเป็นอันเดียวกันได้กับจิตเพราะว่าถ้ามันเชื่อมกันเป็นอันเดียวกันได้กับจิตแล้วเนี่ยจิตเราก็จะวันไหวไปตามสิ่งนั้นชอบก็ชอบเพลิดเพลินไปไม่ชอบก็วันไหวไปตามสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นทําความเข้าใจในเรื่องของการที่มันไปเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกันได้ซะก่อนนั่นก็เพราะว่าอำนาจของอุปทานอํำนาจของความยึดถือ อำนาจของเจ้าตันหานมันเลยเป็นนายเชื่อมเนี่ยช่างเชื่อมเนี่ยมันอยู่ตัวนี้มันก็เชื่อมจิตให้ไปติดตึบกับไอ้สิ่งที่เราไปเห็นไปรู้ไปรับทราบความคิดด้วย น, นเราจะแยกแยะสิ่งนี้ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันเนียนมากจนเราดูไม่ออกว่าความคิดกับจิตเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันเราจะแยกมันออกได้ก็ต้องมีที่ที่ให้จิตเนี่ยตั้งอยู่ให้ได้สก่อน ที่ที่จะให้จิตตั้งอยู่ได้เนี่ยก็เรียกว่าฐานที่ตั้งในฐานที่ตั้งของจิตแั่ก็คือสตินั่นเองเราจึงต้องตั้งสติขึ้นลเครื่องมือในการที่จะจัดตั้งสติให้ขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าก็ให้ไว้อยู่สอย่างเราจะใช้กายเป็นเครื่องมือในให้เกิดฐานที่ตั้งของสติเขาได้ฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงจะใช้เวทนาหรือใช้จิตหรือใช้ธรรมะให้เป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงได้ เดี๋ยวเพื่อให้จิตเนี่ยมาลึกถึงอยู่ตรงนี้ให้ได้นจิตมันจะ ไ, ไม่ได้ถูกดึงลากถูรูปถูกลางออกไปตามธรรมารมบ้างตามเสียงตามรูปบ้างนี่คือประเด็นนะต้องมีสตินั่นเองค่ ะ, คะงั้นสรุปแล้วเนี่ยท่านกำลังพยายามจะอธิบายให้พวกเราเข้าใจว่าความคิดก็ความคิดจิตก็จิตไม่ใช่สิ่งเดียวกันถูกตอ้องและพิสูจนให้เห็นได้ว่าความคิดนั้น เรียกว่าธรรมารม<ช>ตัวจิตต่างหากเป็นคนที่ทําให้เราเนี่ยได้ไปรู้ถึงความคิดนั้นใช่ไหมคะถูกต้องเป็นตัวไปรู้ความคิดนั้นแล้วก็ช่องทางในการที่จะทําให้เกิดการรู้นี้ท่านได้สมมุติ ด, ด้านซ้ายขวาโดยมีจิตอยู่ตรงกลางใช่ใชมี ช, มช่องทางอยู่ตรงกลางใช่ ก็คือออินทรียตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ใช่ไหมคะใที่ใช้ภาษาเป็นบาลีว่าอ่าถ้าเป็นตากระจักสูงใุหูก็โสตาโสตาอืมนะคะจมูกก็คานะคานะอืมใช่ลิ้นก็ฉิวหาอืมกายก็โผฏฐพะกายก็เป็นกายะโผฏฐพะนี่จะอยู่ด้านขวาอ๋อโพผัฐพะอยู่ด้านขวาใช่ตรงกลางนี่ก็จะเป็นกายะ อ๋อค่ะแล้วเา ข, ขาเรียกว่าอะไรคะที่ฉันกำลยงจะบอกว่าภาพทั้งหลายใช่ไหมคะต้องผ่านจากักษุอ๋อใช่ใช่ใช่ชภาพเสียงรถกลิ่นความรู้สึกจากสัมผัสทางกายัภาจะต้องผ่านตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นสับบาลีที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ใช่ใช่ใชแล้วจิตจริงะจะสามารถรับรู้ ได้การไปทําหน้าที่รับรู้ตรงนั้นเรียกว่าวิญญาณค่ะและหน้าวิญญาณเป็นกิริยาใช่เป็นอาการที่ไปเป็นเป็นตัวที่ไปรับรู้อาการต่างๆ<า>ช่องทางนั้นๆถูกต้องูกงช่องทางนั้นๆและท่านกําลังจะอธิบายว่าจิตถ้าอยู่ลําพังก็ไม่เป็นไรความคิดอยู่ลําพังก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามีตันหาเข้าไปเชื่อมต่อกันนี่เป็นปัญหาถูกไหมคะถูกต้องนะคะจิตเนี่ยก็จะถูกครอบงำนะํำด้วยธรรมารมณ์นั้นด้วยความคิดนั้นด้วยเสียงนั้นด้วยรูปนั้นไปตามเรื่องของมันค่ะแล้วเมื่อไปผูกติดเนี่ยที่ทนเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดคะว่าจะทําให้พวกเราเนี่ยก็เลยหลงไปคิดว่าตัวเราเนี่ยมีความคิดนั้นๆันนใช่มีทั้งความคิดนั้นมีทั้งสิ่งนั้นแต่มีทั้งของนั้น แล่ก็คือไปหลงสร้างเหวแห่งการเกิดพระพุทธเจ้าใช้คำนี้แ้ก็หลงไปในการที่จะสร้างเหตุปัจจัยในการที่ทํทำให้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกับหลงขุดเหวให้ตัวเองตัวเองก็ตกลงไปในเหวที่ตัวเองสร้างเป็นผู้ที่จะไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายได้แต่ถ้ายัางเป็นอย่างนี้ท่านก็จึงบอกวิธีที่ คือคือต้องบว่ามันเป็นธรรมดาใช่ไหมคะท่านที่จิตมันจะไปเชื่อมกับอารมณ์ต่างๆทําอารมณ์ต่างเพราะเพราะเรามีอยู่แล้วอ<ๆ>ตัณหาวิชาเรามีอยู่แล้วค่ะแต่ตอนนี้เรามีอยู่แล้วเพราะนั้นมันก็จึงแบบเป็นธรรมชาติที่มันเหมือนกับเชื่อมเรียบร้อยแต่เราแยกกันแทบจะไม่ออกค่ะก็จะจึงจะต้องให้จิตนะั้นมีฐานที่ตั้งเสียใช่จะได้เป็นที่เป็นทางของเขาและพระพุทธองค์ก็ได้ทรง ระบุชัดเจนเลยว่าฐานที่ตั้งมีอยู่สิ่งประเภทเท่านั้นอืมคือตั้งอยู่ที่กายตั้งอยู่ที่เวทนาตั้งอยู่ที่จิตหรือตั้งอยู่ที่ธรรมถูกต<ะ>้องค่ะซึ่งศาสตร์มันบอกชัดเจนปัจฐานอย่างนี้นะสติปัจฐานเนี่ยนะคือ<ะ>ฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงสติคือการระลึกไดนะ้การระลึกได้ในที่นี้ก็คือว่าไม่ให้จิตเนี่ยมันไหลถูกชักลากถูกรูดถูกลางไปตามหกอย่างด้านนอกตรงนั้นหกอย่างทางขวาไม่ให้ไปตรงนั้น น้อยจิต ด, ด้านซ้ายเนี่ยจะต้องมีที่ตั้งที่ราลึกถึงที่ตั้งที่ราลึกถึงก็คือปฐานสติปฐานแต่ซึ่งมีอยู่สี่อย่างกายเวทนาจิตธรรมอย่างที่ว่าค่ะ<ม>แล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านได้กล่าวถึงว่าจิตเนี่ยเป็นผู้ที่ไปรู้ความคิดจิตเท่ากับมโนและวิญญาณหมายถึงมีธรรมาชาติที่ละเอียดเสมอๆกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาน้ําตาลน้ําตาลมาละลายลงในแก้วน้ำคุณหยมติว แต่ว่าเราดูมันก็ใสๆนะแล้วก็ไม่มีอะไรมันน่าจะเป็นน้ําบริสุทธิ์แต่เราจะบอกได้ไหมว่าน้ําในแก้วเนี้ยเป็นน้ําบริสุทธิ์เ อ, อบอกถ้ามองด้วยตาอาจจะไม่ทราบเพราะวิ้นเนี่ยพอทราบมันเป ร, รีลมวๆหรื อ, อหอวานจัดมากขึ้นเราต้องมีเ ค, ครื่องมือในการตรวจสอบอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเราเชื่อไอ้ไอาการที่เรารับรู้รับทราบอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีเครื่องมือในการตรวจสอบอย่างอื่นเช่นเดียวกันแต่ว่าเอ๊ะใสๆ จุดเดือดมันเป็นยังไงจุดแข็งมันเป็นยังไงจุดล้อมเดือเป็นเท่าไหร่พวกนี้คุณสมบัติพวกนี้จะบอกได้ว่าโอ้นี้ไม่ใช่น้ําบริสุทธิ์หรือบริสุทธิ์กันแน่ใช่ไหมเช่นเดียวกันอาการที่จิตเราจะรู้ว่าอารมณ์นี้ความคิดนี้มันใช่จิตหรือไม่ใช่จิตเนี่ยเราก็มีเครื่องมือตรวจสอบเนะครื่องมือนี้ก็คืออย่างที่ว่าเนี่ยคือสติเป็นตัวที่จะแยกแยะออกแตนะถ้าเรามีสติเป็นนายทวารนะสติเนี่ยคือเปรียบเสมือ น, นกับนายทวารอย่างที่เราเคยว่าไปว่านะ <Okay. S 1> มนันก็จะแยกออกอ่ะ แยกออกว่าอ๋ออันนี้ไม่ดีเอยากไว้อันนี้ดีให้เข้ามาได้แล้วจิตเนี่ยจิตเดิมเนี่ยคุณโยมถือเป็นธรรมชาติประพัดสอนอยู่แล้วนจิตที่เป็นธรรมชาติประพัดสอนเนี่ยอมันก็ไม่มีปัญหาอะไรจิตมันก็แจ่มใสสว่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกก็มีจิตที่เป็นธรรมชาติประพัดสอนเทวดาชั้นพร ม, ก, มร ก, ก็มีจิตที่เป็นธรรมชาติประพัดสอนแต่ว่ามันเศร้าหมองแตกต่างกันค่ะ ที่ท่านกล่าวถึงว่าจิตธรรมชาติของเขามีสภาพประพัดสอนคือสว่างสวยเมื่อสักครู่ท่า น, ชนใช้คํานี้ใช่ใช่พอจะอธิบายมากกว่านี้สักหน่อยได้ไหมคะว่าประพัดสอนจ ร, รจริงๆนั้นเป็นอย่างไรอคําว่าประพัดสอนเนี่ยหมายถึงสว่างสวยนั่นเองซึ่งหมายถึงว่ามันมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรแปดเปื้อนเป็นบริสุทธิ์เนีเป็นของที่นุ่มนวลเป็นสิ่งที่ไปรับรู้สิ่งต่างๆได้ ทีนี้ความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นที่จิตเนี่ยก็เป็นเพราะว่ากิเลส ท, ที่เป็นอคันตุกจรมาจะมาทางไหนบ้างก็นี่แหละหกช่องทางนี่แหละมันจารมาจารมาเรลยก็เลยพอกคูนสั่งสมทำให้จิตเนี่ยเศร้าหมองอยิ่งมืดลงหมองลงมืดลงหมองลงถ้ามืดมากหมองมากก็ไปนูน่นสัตว์นรกแตถ้ามืดนิดหน่อยหมองนิดหน่อยก็มาเป็นมนุษย์แต่ถ้าจะสว่างสว่างอยู่บ้างก็ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมอะไรก็ว่าไปแต่แตก็ยังมีความหมองความมืดอยู่ แล้ถ้าหากจะทําตามคําสอนของพระศ า, าสดาที่ตรัสว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเมื่อเราได้รู้และให้น้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ย น, นะคะอะท่านทั้งหลายก็น้อมไปว่าจิตเรากับธรรมารมณ์เราเนี่ยเชื่อมกันอยู่ตอนไหนบ้างให้ท่านสังเกตมันเชื่อมตลอดเลยนะคะท่านใช่ชใช่มันเชื่อมตลอดอยู่ คือเราจะเริ่มแยกแยะเห็นว่ามันมันแยกกันได้เนี่ยก็ต่อเมื่อน่ยก็ต่อเมื่อ1จิตเนี่ยที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยน ะ, ะเพราะว่าไอ้ขวามือที่มันมาเน่ยมาเป็นรูปเป็นเสียงพวกนี้ถ้ามันเป็นที่ชอบใจแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ชอบใจแน่นอนว่าไอ้อินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่เล่นไปสุจิตแต่ถ้ามันเป็นที่ชอบใจปุ๊บก็จะทําให้จิตเรามีความกำเนิดรุ่มหลงโมมัม่วเพลิดเพลินไปแต่ถ้าไม่ชอบใจมันก็จะทำให้จิตเรามีความขยะกขยั่งเกลียดชัง ไห่ไม่ว่าจะเพลิดเพลินหรือขยะนขยงเกลียดชังก็ตามถือว่าจิตที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยถูกครอบงำละถูกครอบงำละเอาเราจะทําไงไม่ให้เกิดความครอบงําเกิดขึ้นจิตเราต้องตั้งเอาไว้อยู่ด้วยสตินต่พอจิตตั้งไว้อยู่ด้วยสติสิ่งที่ชอบมาก็ไม่วิ่งเข้าหาสิ่งที่ไม่ชอบมาก็ไม่วิ่งนี้ในสภาวะอย่างเงี้ยคือจิตที่เป็นอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธินัน่นเองคร่ะอ า, อาจจะฟังเหมือนกับท่านเพียบุญนะกำลังจะพูดถึงเรื่องของ การที่จะปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตให้ไปสู่สภาวะที่เป็นประพัดสอนมากยิ่งขึ้นใช่หมายถึงว่าขจัดพวกกิเลสความเศร้าหมองที่ไปทำให้จิตประพัดสอนน้อยลงหรือว่าบางคนนี่อาจจะพูดไม่ได้เลยถึงความประพัดสอนมันมืดตึบทุกทางดิฉันเข้าใจว่าคนเราถ้าไม่คิดอะไรก็ไม่เห็นมันจะเป็นปัญหานะคะกับการที่จิตของเราไปรับรู้ อารมณ์นั้นอารมณ์นี้ไปผูกติดกับอารมณ์ที่ท่านว่านี่ยนะคะเสียหายยังไงหรอคะกับการที่จิตผูกติดกับอารมณ์แล้วไม่ประพัดสอนเนี่ยคะท่านคะคืออารมณ์นั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ตลอดเวลาไงคุณยมติวมันไม่ได้จะดีอยู่ตลอดเวลาเราคิดว่าเออฉันอารมณ์ดีๆก็ดีนี่นะก็ไม่มีปัญหาฉันก็คิดผลงานสร้างสารรค์ผลงานแต่มันมีบางครั้งมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยคือปัญหาของมัน แต่ว่าบางทีคุณก็คิดอะไรไม่ออกบางทีคุณก็คิดออกแบบบือบ้อบืบ้าบา้าบางทีความคิดมันทําไมเป็นบ้องๆ้องบองึมบึ ม, บมแต่มันก็เป็นแบบใหม่ไปแต่มันไอ้ที่เราว่าดีๆมันไม่ได้มีอยู่ตลอดนี่แหละคือปัญหาของมันค่ะอ่าแต่นี้พอปัญหาตรงนี้มันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นทุกข์เราจะเป็นทุกข์ทุกข์ตรงที่ว่าเอ้ยทำไมมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังแต่พอมันเป็นทุกข์อย่างนี้แล้วจิตตรงนั้นเราจะยิ่งเศร้าหมองเข้าไปอีก เนี่ยเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นตรงนั้นด้วยค่ะก็คือสรุปแล้วเจ้าตัวธรรมอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าจิตเข้าไปผูกติดด้วยหรือว่าใช้คำว่าจิตไปยึดอารมณ์อย่างนี้ได้ไหมถูกครอบงำพระพุทธเจ้าใช้หลายคำมากเลยใช่ถ้าพูดถึงเรื่องโลกธรรมใช่ไหมเช่นว่าสุขทุกนินทาสรรเสริญพวกเนี้ยพระพุทธเจ้าใช้คว่าครอบงำ ได้ค่ะนะค ะ, ะตัวอย่างที่ท่านพูดเนี่ยท่านเข้าใจพวกเราเนี่ยเห็นชัดถ้าพูดถึงโลกธรรมแปดเนี่ยนะคะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสันเสซล ม, มีนินทาเนี่ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าถ้าถูกครอบงําด้วยพวกนี้ซึ่งถือเป็นธรรมารมณอย่างหนึ่งเหมือนกันตูกตา่างนะคะก็จะทําให้จิตนี้เศร้าหมองดังนั้นเนะะี่ยค่ะประเด็นก่อนที่จ ะ, ะลารายการนี้ไปก็อยากให้ท่านฟังนี้เข้าใจชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าท่านเป็นบุญกำลัง พูดว่าจิตกับความคิดไม่เหมือนกันก่อนที่จะให้ไปใคร้ครวนทิ้งไว้เป็นการบ้านอีก2นาทีสุดท้ายนี้ท่านจะฝากไว้อย่างไรดีครับก็คือต้องการจะบอกว่ามันแยกกันได้นะวิธีการ<ม>ฝึกปฏิบัติก็ง่ายๆอย่างที่เราเคยพูดกันอยู่เป็นประจําในรายการแต่ก็คือฝึกให้เรามีสติตั้งขึ้นนะมันก็จะค่อยๆเห็นบาวดรีเห็นขอบเขตของกันและกันว่าความคิดก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งเราชัดเจนในเรื่องนี้มากขึ้นนะเราก็เรียกว่าไปตามทางนั่นเอง นะคะแล้วก็การฝึกอย่างเป็นรูปแบบเรื่องการศึกษาธรรมของพระพุทธองค์นั้นไม่ใช่เพียงแค่ศึกษาด้วยสุตตแต่จะต้องนำเอาไปฝึกปฏิบัติใช่ไหมใช่สามารถไปฝึกได้ที่วัดป่าดอนไฮโซไหมคะได้ซึ่งที่วัดเราก็จะมีการฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบอยู่ทุกๆเดือนมีการหลีกในปฏิบัติธรรมนั่นเอง ค่ะนี่ก็พฤสจิกา ย, ยนแล้วเพราะฉะนั้นท่านคงต้องพูดถึงเรื่องของเดือนธันวาคมแล้วล่ะคะ่ะว่าฝึกกันอย่างไรเมื่อไหร่ในเดือนธันวาคมก็จะมีวันที่หกถึงสิบสี่ธันวาคมเต็มหรือยังคะยังไม่เต็มยังไม่เต็มสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ w p d h s o r g นะคะเป็นเว็บของวัดป่าดอนหายศพถ้าเซิร์ชเป็นภาษาไทยเข้าไปใน Google อย่างนี้ก็น่าจะแปลกมาเป็นนะคะ อก็ไปสมัครกันอากาศก็กําลังดีนะคะช่วงปลายปีไม่ร้อนส่วนช่วงต้นปีทราบว่าพวกที่สันปปทันนดาภาษาอังกฤษไปปฏิบัติสบายใช่ไหมคะอก็จะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเดินมาคคุรามีภาษาไทยเลยภาษาอังกฤษล้วนๆถูกต้องถูกต้องก็จะมีตานกลางวันที่เราจะเป็นสองภาษาเราจะมีช่วงที่อ่านพุทธพุทธประวัติให้ฟังที่เป็นสองภาษาช่วงของกลางวันค่ะอืก็ จะได้ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยรู้ตัวล่วงหน้าแล้วไปค้นดูทราบว่าอยู่ช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนสิบเจ็ดถึงยี่สิบห้ามกรา ค, นค์นะคะนั้นก็ทิ้งท้ายกันเอาไว้ตรงนี้ธรรมะที่ให้ไปก็ไปใคร่ครวญแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะครับเผื่อว่าจะมีประเด็นที่งองเงยขึ้นมาอีกกราบน้อมัศการขอบพระคุณท่านพระหมหาไับุญอ ภ, ภิปุโนนะคะเจริญการเจริญักการท่านฝังที่ครบค่ะ ท่านอยู่ที่วัดป่าดอนหายโสอุดรธานีนะคะและที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้ก็คือรายการสันสนิสนทนาสม น, นีราดพงดำเนินรายการทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ผู้ทว่าสวัสดีค่ะ